กสรักทัศนิทางศาสนาถือว่าอารมณ์ใจของคนเรามีอยู่สองประเภทคืออิทธารมอารมณ์ที่ใจชอบกับอนิถารมอารมณ์ที่ใจเกลียดความรักเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่ใจชอบตามหลักทางจิตจิตของคนทุกคนชอบความรักมากกว่าความเกลียดจิตจะเข้าไปพัวพันอยู่กับความเกลียดต่อเมื่อมีความจําเป็นเกิดขึ้นเท่านั้นและความจําเป็นที่ว่านั้นก็คือการที่จิตไม่ได้อารมณ์รักนั่นเอง พูดสันส้นๆฟังง่ายๆคือคนเราทุกคนอยากรักมากกว่าอยากชังอย่างเช่นเวลานี้กระแสความรักของคนอื่นมาวนรอบตัวท่านอยู่แล้วแต่เขายังรักไม่ลงเพราะติดขัดอยู่นิดเดียวคือตัวท่านยังไม่น่ารักนึกดูคลื่นวิทยุก็แล้วกันเวลานี้ในอากาศรอบๆตัวท่านมีคลื่นเสียงอยู่เต็มทีเดียวเสียงดนตรีเพรา ะ, ราะก็มีเสียงเพลงหวานๆก็มี แต่ที่ท่านไม่ได้ยินก็ติดขัดอยู่นิดเดียวและขัดที่ท่านเองไม่ใช่ขัดที่สถานีส่งคือขัดที่ท่านไม่เปิดเครื่องรับวิทยุขึ้นถ้าท่านเปิดเครื่องรับแกลกเดียวท่านก็จะได้รับการขับกล่อมด้วยเพลงหวานๆที่มารออยู่แล้วนั้นถ้าอยากฟังเพลงที่ว่าท่านไม่ต้องไปมัวจัดสถานีวิทยุให้เสียเวลาแต่จงหันกลับมาจัดกับเครื่องรับของท่านเอง เรื่องความรักก็เหมือนกันเวลานี้คนอื่นเขาส่งกระแสรักมาวนรอบตัวเราอยู่แล้ววันละร้อยรอบพันรอบแต่ก็ยังรักไม่ลงเพราะติดอย่างเดียวที่ว่ามาแล้วคือตัวเรามันไม่น่ารักเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนมุ่งเข้าสู่การปรับปรุงตัวเองเป็นสำคัญโปรดสังเกตดูธรรมะที่เป็นคาสอนทางศาสนาเช่นสอนให้รักษาศีลให้เว้นทุจริต ให้ประพฤติสุจริตคือให้เราเองเป็นผู้เว้นเป็นผู้ทาทั้งสิ้นซึ่งเข้าในหลักที่ว่าให้ย้อนมาปรับปรุงตัวเราเองขณะนี้ข้าพเจ้ายังนึกไม่ออกว่ามีพระพุทธวจนะบทใดที่สอนให้เราบังคับให้คนอื่นทำดีแต่ตัวเองไม่ทำก็ได้อมสาลิกามีวิธีทำให้คนรักอีกแบบหนึ่งที่มีคนนิยมมาก ไหนได้พูดเรื่องวิธีทำให้คนรักแล้วก็เลยพูดเสียด้วยคือวิธีใช้ของขลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการอมสาริกาท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นหรืออย่างน้อยก็คงเคยได้ยินว่ากันว่าสาริกาเป็นของมีฤทธิ์ทำให้คนรักได้เท่าที่ข้าพเจ้าทราบสาริกามีอยู่ถึงสองชั้นคืออย่างแรงจริงๆเขาเนบไว้ในหนังตา ดูน่ากลัวอันตรายแต่เพราะอยากให้คนอื่นรักก็ต้องยอมเสี่ยงตาบอดชนิดที่เนบในหนังตานิ้วแรงมากเพียงแต่ศบตาหรือที่เราเรียกว่าศบเนตกับใครเข้าคนนั้นจะรักเราทันทีไม่ต้องถึงกับได้พูดจาปราศัยอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างรองใช้อมไว้ในปากเวลาไปพูดกับใครทำให้คนฟังรักอย่างเช่น ข้าพเจ้ามาแสดงปาถักกถานี้ถ้าอมสาริกาด้วยท่านผู้ฟังคงติดใจกันหมดนี่ว่าตามเขาว่าและเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยใช้มีปัญหาว่าการทําให้คนรักโดยวิธีอมสาริกานี้เป็นแบบโลกวิธีหรือพุทธวิธีกันแน่พิจารณาทางเหตุผลการอมสาริกาเป็นอุบายอย่างหนึ่งตามแบบพุทธวิธีก็ได้คือ อยู่ในแบบปรับปรุงตัวเองเหมือนกันแต่เป็นอุบายของผู้สอนข้าพเจ้าจะสมมติเรื่องให้ฟังแล้วให้ท่านตัดสินเอาเองว่าเป็นแบบไหนคือสมมติว่ามีนายอะไรคนหนึ่งอยากให้คนอื่นรักแต่แกเองเป็นคนปากร้ายเที่ยวด่าเขาหัวบ้านท้ายบ้านไม่เว้นแต่ละวันแล้วชาวบ้านเขาก็เกลียดขี้หน้าไม่มีคนรักครั้นไม่มีคนรักแกก็ร้อนใจ อยากให้เขารักจึงไปหาหลวงพ่อเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมแย่แล้วไม่มีใครเขารักก ร, รุณาช่วยด้วยหลวงพ่อท่านรู้ว่านายคนนี้ที่คนไม่รักเพราะปากร้ายท่านจึงสอนว่าให้เลิกพูดคาหยาบเสียอย่าด่าว่าใครแล้วคนทั้งหลายเขาก็จะรักฝ่ายนายคนปากร้ายนั้นก็ได้รับโอวาทของหลวงพ่อแล้วก็เลื่อมใส เชื่อทุกอย่างและตั้งใจจะเลิกพูดคำหยาบแต่พอเลิกได้วันสองวันมันทนไม่ไหวคนเคยด่าแล้วไม่ได้ด่ามันให้รู้สึกเปรี้ยวปากหนักเข้าก็เที่ยวด่าชาวบ้านเขาโครมโครมเข้าอีกแล้วเขาก็เกลียดขี้หน้าอีกแล้วแกก็มาหาหลวงพ่ออีกฝ่ายหลวงพ่อท่านรู้ว่าอีตาคนนี้บังคับตัวเองไม่ได้จาเป็นต้องใช้อุบายแล้วก็บอกนายคนนั้นว่า ไปเป็นไรข้ามีของดีให้แกไปหาแผ่นทองมาจะลงสาริกาให้พอปากร้ายอยากได้ของทำให้คนรักก็สู้อุตส่าห์ไปหาแผ่นทองมาแผ่นเล็กๆขนาดใบมะขามเห็นจะได้เอามาให้หลวงพ่อแล้วยังต้องหาของบูชามาให้ด้วยเช่นดอกไม้เจ็ดสีเทียนทูบอย่างละเจ็ดและอื่นๆ อ, อีกหลายอย่าง ข้าพเจ้าเคยเห็นหลวงพ่อบางองค์มีพิธีรีตรองมากจริงๆต้องให้คนที่ขอสาลิการนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลก็มีไปลงอักขระในป่าช้าก็มีบางทีเห็นลงอักขระขณะที่มีการตั้งศพแล้วก็มีคนร้องไห้ถึงคนตายก็มีรวมความว่าต้องทําพิธีกันเป็นกิจจะลักษณะคนที่ต้องการก็ต้องรอเป็นเวลานานถึงห้าเสาเจ็ดเสานี่ข้าพเจ้าเห็นมาแต่เป็นเด็ก แต่สมัยนี้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์เห็นท่านผลิตของขลังต่างๆเป็นจำนวนมากๆเช่นตะกรุดสาริกาก็ทำด้วยเงินหรือทองเหลืองเป็นจำนวนพันๆให้สิทธิ์วัดช่วยม้วนเสร็จแล้วนั่งว่าคาถาเสกรวมเลยแจกอย่างไม่อั้นบางทีอย่างผงอิทธิเจโบราณท่านเสกแป้งคลึงเป็นแท่งเสียทีหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็เอาแท่งแป้งนั้นเขียนอักษรลงบนแผ่นกระดาน ขณะที่เขียนก็บริกรรมคาถาอิทิเจตลอดเวลาที่เขียนถ้าขณะเขียนตอนไหนจิตเสียสมาธิท่านลบทิ้งปัดกระดานให้สะอาดแล้วเขียนใหม่ครั้นเขียนเป็นอักษรแล้วตอนลบก็มีคาถาว่าต่างหากผงที่ได้จากการเขียนแล้วลบนี้รวมไว้ได้มากพอสมควรแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกอีกเรียกว่าเป็นของที่ทําได้ยากอยู่แต่สมัยนี้ข้าพเจ้าเห็นท่านทําผงอิทิเจง่ายมาก ซื้อแป้งนวลมาเป็นปี๊บเป็นปี๊บขยี้ให้เป็นผงเสียแล้วหลวงพ่อเอานิ้วมือขีดเป็นอักษรบนปากปี๊บไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วก็แจกจ่ายเป็นการใหญ่นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยดีพอใช้ขอโทษด้วยว่าเรื่องสาริกาเลยถลายไปว่าเรื่องผงสเสน่มหานิยมเสียยาวทาั้งๆที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่มีความรู้เพียงแต่เคยเห็นเท่านั้นกลับไปต่อเรื่องต้นเสียที พอหลวงพ่อท่านลงสาริกาเสร็จแล้ววันดีคืนดีในปากร้ายนั้นก็ไปขอรับค่าที่คอยรอมานานและมีความหวังว่าจะได้ของวิเศษความอยากได้จึงต้องมีกำลังมากเป็นพิเศษหลวงพ่อท่านบอกว่าเอา้าเอาไปเนี่ยเรียกว่าสาริกานะอมไว้ในปากเสมอไปพูดกับใครเขาก็จะรักแกพอสาธยายสรรพคุณให้ฟังแล้วก็บอกข้อปฏิบัต แต่ว่าท่านเอาตรงนี้เองแต่ว่าแกจะต้องมีข้อปฏิบัติกำกับด้วยคือนับตั้งแต่ใช้สาริกานี้ไปห้ามไม่ให้พูดคำหยาบเป็นอันขาดถ้าคืนพูดสาริกานี้จะเสื่อมทันทีนายคนนั้นได้สาริกาแล้วก็ดีอกดีใจและรู้สึกหวงสาริกานักเพราะได้มาด้วยความยากลำบากอยากจะพูดคำหยาบเหมือนกันแต่ไม่พูดเพราะกลัวสาริกาจะเสื่อม เมื่อแกไม่พูดคำหยาบแล้วจะพูดคําอะไรก็ต้องพูดคําละเอียดเพราะคําพูดทั้งหมดก็มีอยู่สองชนิดเท่านั้นเมื่อไม่พูดอย่างหนึ่งก็ต้องหันไปพูดอีกอย่างหนึ่งเมื่อกลับตัวได้อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็รักท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าสาริกาบังคับใครบังคับใจคนอื่นให้มารักแบบอย่างโลกวิถีหรือหรือบังคับตัวผู้อมสาริกานั้นเองให้เป็นคนน่ารักตามแบบพุทธวิธี คิดเองแล้วก็ตอบเองทุกท่าน 3. สศูนย์กลางแห่งความรักการครองใจคนตามหลักพุทธวิธีที่ว่ามาแล้วนั้นหลักการสำคัญก็คือการทำตัวของเราเองให้เป็นคนน่ารักนี่เป็นกฎแห่งการครองใจคนทีนี้ทำอย่างไรตัวเราจึงจะน่ารักหรือคนทั้งหลายเขารักคนอย่างไรเรื่องนี้จะต้องสืบเข้าไปดูข้อเท็จจริงว่า จิตใจของคนเราโดยทั่วๆไปรักอะไรแล้วเราจะได้พบความจริงอันหนึ่งว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะพิเศ ษ, ษและเป็นคุณสมบัติสากลคือเป็นที่รักเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทั่วโลกก็ว่าได้ใครก็ตามถ้าสร้างลักษณะพิเศษอันนั้นขึ้นไว้ได้ในตัวเมื่อ<ะ>คนทั้งหลายเห็นเข้าเป็นต้องเกิดความรักขึ้นในผู้นั้น ลักษณะพิเศษที่ว่านั้นก็คือความงามซึ่งข้าพเจ้ากล่าวกล่าวว่าเป็นศูนย์กลางของความรักคนกับความงามเป็นการยากและออกจะไม่ตรงจุดหมายที่จะรื้อฟื้นนําเหตุผลขึ้นมาแสดงว่าเหตุใดใจิตใจของคนเราจึงชอบความงามดูกันแค่ที่รู้เห็นอยู่ทั่วไปก็แล้วกันถ้าเราจะใช้ความสังเกตเพียงเล็กน้อยก็จะเห็นได้ว่า คนเราทุกคนนิยมชมชอบความงามเพียงใดไม่ว่าใครจะทำอะไรเป็นต้องเติมความงามลงไปทุกอย่างแล้วก็อบรมบ่มนิสัยกันมาตั้งแต่ออกแต่อ้อนจนกระทั่งตายเกิดมาใหม่ๆเขาจะเอาเราวางใส่เบาะก็บรรจงวางงามๆจัดผ้าอ้อมให้งามๆหวีผมให้งามๆผัดหน้าให้งามๆ งามกันเป็นเรื่อยทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยิ่งรักใคร่ใฝ่ฝันกับความงามมากเข้าทุกทีในพวกหมอแม้แต่เอาผ้าพันแผลเขาก็ดูกันว่าใครทําได้งามหรือไม่งามแม้แต่ตายแล้วสับปเปล่าเขาตราสังเขาก็พยายามมัดให้งา ม, งามโลงที่จะใส่ศพก็ทําให้งามหลุมที่จะฝังหรือเชิงตะกอนที่จะเผาก็ทําให้งาม งามไปเสียทุกสิ่งนั่นแหละแม้แต่เผาเป็นขี้เท่าแล้วเวลาแปรรูปเขาก็ต้องทำให้งามๆตกลงว่าความงามได้ถูกบรรจุแทรกเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทำขึ้นแม้พวกอาหารของกินและของใช้ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะถูกปล่อยปะละเลยอย่าว่าแต่ของใช้ซึ่งต้องแสดงแก่สายตาผู้คนให้เขานิยมชมชอบเลย แม้แต่ของสังหารกันอย่างเช่นลูกระเบิดที่เขากลัวนักกลัวหนาและไม่ใช่ของที่จะน่าชมเลยแต่คนทำก็พยายามทำให้กลมเกลี้ยงสวยงามเหมือนกันทั้งๆ ท, ง ท, งที่คนทำทาแล้วก็ไม่ได้เอาไปอวดใครมีแต่เก็บซ่อนไว้ในโกดังถึงเวลาใช้ก็ถือเป็นความลับใส่เครื่องบินประโยนลงให้อีกฝ่ายหนึ่ง แล้วฝ่ายนั้นก็ไม่มีใครเขาอยากจะดูมีแต่วิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วลูกระเบิดก็แตกตูมเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเท่านั้นเองนี่ว่าพอเป็นทางให้คิดว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะทำอะไรเป็นต้องแทรกความงามเข้าไว้ในสิ่งนั้นเสมอข้อนี้แสดงให้เห็นว่าจิตใจมนุษย์ติดพันอยู่กับความงามและจากข้อสังเกตอันนี้เองทาให้เราจับเคล็ดในการคลองใจคนได้อย่างหนึ่ง คือต้องสร้างความงามขึ้นไว้ในตัวเพื่อเป็นศูนย์ที่มารวมแห่งความรักเหมือนขุดบ่อไว้ให้ปลาอาศัยฉะนั้นคนงามสี่ชั้นความงามของคนเมื่อพิจารณาตามหลักทั่วไปในทางพุทธศาสนาคือจากธรรมะและจากพระพุทธบัญญัตินำมาผนวกเข้าคืออาภรณ์ร่างกายมารยาทและจิตจุดสาคัญทั้งสนี้ ถ้าจะเขียนให้เห็นชัดๆมีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับคนอย่างไรจะต้องเขียนเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นรูปวงกลม4ชั้นชั้นนอกสุด1อาภรณ์ชั้นถัดมา2ร่างกายถัดมา3มารยาทและชั้นในสุด4จิตจากภาพนี้ท่านจะได้เห็นว่า มีอะไรบ้างที่เกี่ยวอยู่กับตัวคนเราแต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องแต่งให้งามและโปรดพิจารณาดูด้วยว่าท่านได้สนใจกับจุดที่จะแต่งทั้งสีน่นี้โดยทั่วแล้วหรื อ, อยังโปรดพิจารณาต่อไปจากความงามชั้นนอกเข้าไปหาชั้นในงามอาพรอาพรในที่นี้หมายถึงเครื่องประดับตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวคนเช่นเสื้อผ้าหมวก รองเท้าสร้อยปากกานาฬิกาเครื่องรับแขกที่หลับนอนที่อยู่ที่กินและอื่นๆรวมเข้ากับคำว่าอาพรเครื่องอาพรเหล่านี้เราได้มาจากวัตถุของโลกเอามาประดับตัวเราโดยหลักการใหญ่ๆแล้วคนในยุคดึกดำบันกับยุคนี้ก็ใช้อาพรคล้ายๆกันแม้เวลาจะล่วงเลยมานับหมื่นๆปีก็หนีกันไปไม่ไกลเท่าไหร่ ยุคที่คนอยู่ตามป่าโ น, น้นเขานุ่งห่มใบไม้เปลือกไม้ถึงในยุคนี้ก็เหมือนกันเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่เวลานี้ก็คือต้นพืชในป่าชนิดหนึ่งนั่นเองเพียงแต่คนในยุคนี้ได้ประดิษฐ์ประดอยอีกบ้างเท่านั้นแต่ความรู้สึกทางจิตใจก็ยังรักความงามอย่างธรรมชาติอยู่นั่นเอง แม้ได้เอาเปลือกไม้ใบไม้มาฟอกทําเสื้อผ้าจนเกือบจะจําไม่ได้ว่าเป็นต้นพืชแล้วก็ยังพิมพ์หรือถักรูปพืชต่างๆลงบนผ้านั้นอีกเช่นรูปดอกกุหลาบหรือดอกสาเกรูปเถาวัลขอโทษเถอะกระโปรงของสุภาพสตรีบางคนมีรูปต้นมะพร้าวทั้งต้นขึ้นไปสุดลำตัวเลยก็มี นี่แสดงว่าใจของคนเรายังรักความงามธรรมชาติกันอยู่ถ้าท่านผู้ฟังไม่ถือโทษข้าพเจ้าอยากจะว่าคนเรายังติดฉากป่ากันอยู่เพราะเคยฝังจิตใจอยู่ในป่ามาไม่รู้กี่ชาติแล้วขอให้ท่านสังเกตดูบรรดาลวดลายวิจิตสินต่างๆจะเห็นได้ว่าเป็นการจำลองหรือแปลงเอาของในป่าออกมาเสียทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ต้นไม้เถาวัลย์ก็เป็นพวกสัตว์ หรือดาวเดือนน้ำภูเขาซึ่งเคยพบปะกันมาตั้งแต่ครั้งยังอยู่ป่าด้วยกันและที่ว่าคนยุคดึกดําบันนิยมใช้กระดูกสัตว์เป็นเครื่องประดับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้เช่นงาช้างไข่มุกหรือหอยสังเหล่านี้เป็นกระดูกสัตว์นั่นเองบางคนตัดเอากะโหลกวัวควายทั้งหัวมาประดับไว้กับบ้านเป็นหลายสิบบางคนก็สลัก หรือเขียงรูปสัตว์ต่างๆและถือกันว่าสวยงามสักติดตัวไว้ก็มีคนครั้งกระโน้นใช้หนังสัตว์และขนสัตว์พวกเราทุกวันนี้ก็ยังใช้ทํารองเท้าเข็มขัดกระเป๋าถือและอื่นๆอีกแยะจะต่างกันบ้างก็เกี่ยวกับการประดิษฐ์เช่นฟอกหนังให้เกลี้ยงเกลาเท่านั้นแต่ก็อีกแหละสมัยนี้คนชักจะกลับไปนิยมอย่างชนิด ไม่ขูดขนเสียอีกแล้วคือใช้การทั้งๆติดขนอย่างนั้นเองเช่นเข็มขัดหนังสือหรือกระเป๋าถือยิ่งติดขนยิ่งราคาแพงจำพวกหนังจระเข้อย่างแพงๆก็ต้องให้เห็นเกล็ดชัดๆที่ว่านี้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการประดับตกแต่งของคนเราตั้งแต่ดึกดำบันมาก็คงอยู่ในหลักการเดิมคือ ใช้ชิ้นส่วนของโลกมาเป็นอาภรณ์ของตนจะเปลี่ยนไปบ้างก็รูปทรงเท่านั้นผู้หญิงสมัยก่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนชมกันว่าสวยต่อมานุ่งผ้าถุงนุ่งกระโปรงสั้นบ้างยาวบ้างตามความนิยมฝ่ายพวกผู้ชายเลิกจากโจงกระเบนมานิยมนุ่งกางเกงแพรกางเกงสากลที่เห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ยิ่งพวกคนหนุ่มสมัยใหม่ เขาเกิดพากันนิยมกางเกงแบบพิเศษเรียกว่าทรงทรมานหรือทรงจิ้งเหลนรัดแน่นจนเลือดลมจะเดินไม่ได้คู้แข้งคูขาก็ไม่สะดวกแต่ถือกันว่าโก้นักในสายตาของพวกเดียวกันไม่รู้ว่าใครสั่งใครสอนได้ความว่าเอามาจากแฟชั่นของฝรั่งซึ่งความจริงมาเป็นเครื่องแต่งกายของพวกแสดงหนังประเภทที่เขาแสดงโลดผนโจนทยาน แล้วทำกางเกงให้รัดกลมไม่ใช่ฝรั่งที่เป็นเจนท์แมนในบ้านเมืองของเขาพอเราดูหนังเห็นฝรั่งนุ่งทรงทรมานก็คว้าเอาแบบมานุ่งของเขานั้นนุ่งตอนแสดงหนังแต่ของเราเกิดนุ่งเดินตามถนนขนทางดูพิกลดีเหมือนกันถ้าเกิดมีฝรั่งคนใดมาดูละครต้นตระกูลไทยของเราแล้วจำเอาแบบการแต่งตัวของพ่อของรามคาแหง ไปแต่งเดินตามถนนหรือขึ้นรถเม์อยู่ในกรุงนิวยอร์กบ้างก็คงจะดูพิลึกดีเหมือนกันความงามในด้านอาพรนี้ทำอย่างไรจึงจะจัดว่างามทาั้งศาสนาได้ควบคุมเฉพาะหลักการใหญ่ๆเช่นความสะอาดการนุ่งห่มให้เรียบร้อยให้ถูกต้องกับกาละเทศะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักกลางๆส่วนใครจะใช้ทรงอะไรสีอะไรลวดลายอะไร ไม่ได้ทรงแสดงไว้เพราะนั่นเป็นหลักย่อยและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเว้นแต่เครื่องนุ่งห่มและการตกแต่งของบุคคลประเภทบาเพ็ญพรตเช่นภิกษุสามเณรได้ทรงวางแบบไว้เพราะการแต่งตัวสัมพันธ์กับข้อปฏิบัติของท่านบางประการส่วนชาวบ้านเราถือความสุภาพเรียบร้อยและต้องตามกาลเทศะเป็นเกณฑ์ งามร่างกายหมายถึงเนื้อตัวของเราที่เห็นหินกันอยู่นี่แหละพูดง่ายๆก็คือตัวงามความงามประเภทนี้เป็นที่สนใจและเป็นที่นิยมกันมากในสังคมมนุษย์ถึงกับมีการประกวดประชันกันเป็นการเอื้อก ร, ริกอยู่บ่อยๆดูว่าใครงามหรือไม่งามจะดูอย่างไรและแค่ไหนจึงจะจัดว่างามดูเหมือนจะมีตําราดูอยู่มากเหมือนกันแต่เท่าที่พบมาเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะถิ่น หรือบัญญัติขึ้นตามรถนิยมเสียมากจะใช้เป็นหลักสากลไม่ได้สำหรับทางศาสนาเท่าที่พอจะรวบรวมได้ท่านวางหลักไว้หน้าฟังเหมือนกันในวงเล็บดูนิธิกันสูตรร่างกายงามประกอบด้วยลักษณะสี่อย่างคือ 1. สุวรรณตาผิวดี 2. สุสรตาเสียงดี 3. สุดสั้นท่านังทรงดีส สุรูปรตารูปดีเราจำลองเอาแบบของท่านไว้สำหรับดูใครๆเล่นบ้างก็ดีเหมือนกันเพื่อบุญวาสนาช่วยพลัดเข้าไปเป็นกรรมการประกวดนางงามกับเขา <c oughs> ก็จะได้เอาตัวรอดได้ส่วนหน้าตาแปลว่าผิวดีคือผิวกายนี่เองผิวอย่างไรจัดว่าดีโดยทั่วๆไปก็หมายถึงผิวเกลี้ยงเกลาไม่มีหูด มีปมไม่มีหิดมีกรากหรือเป็นดอกเป็นดวงพูดง่ายๆคือผิวหน้าดูส่วนที่ว่าผิวขาวดีหรือ ด, ดําดีข้อนั้นไม่แน่แล้วแต่ความนิยมของคนแต่ละคนหรือแต่ละถิ่นจะว่าผิวขาวดีผิวดําไม่ดีก็ไม่ถูกดำำําขํำก็มีคนเขานิยมมากเหมือนกันเมืองเรานิยมคนผิวขาวหรือขาวเหลือง แต่ประเทศที่เขานิยมคนผิวดำได้ทราบว่ายิ่งใครผิวดำสนิทหรือดำเมี่ยมเลยยิ่งถือว่างามแท้คนพวกนั้นเขากลับหัวเราะประหลาดใจที่พวกเราเลือกคนผิวขาวเป็นนางสาวไทยเขาว่าอย่างนี้นักประพันธ์สมัยก่อนเขาพรรณ น, นาคนผิวงามว่ามีผิวดังทองในบ่งเล็บส an ุวรรณวันโนนั่นก็คงจะหมายความแต่ว่าผิวพุดผ่อง หน้าดูคงไม่หมายว่าผิวเหลืองอ๋อยเหมือนทองจริงๆเราลองนึกดูก็ได้ว่าถ้ามีคนคนหนึง่งผิวเหลือง อ, อ๋อยเช่นนั้นคงทุเรศไม่น้อยและน่ากลัวตายเร็วหรือที่พูดถึงพระอินว่าผิวเขียวก็คงจะหมายถึงว่าผิวกายน่าเกรงขามกระมังคงไม่ใช่เขียวปีเหมือนลูกแตงโม ล, ลูกเขียวๆอย่างนั้นตามธรรมดาคนเขาจะชม ก็ต้องหมายความว่าเป็นอย่างพวกเขานั่นแหละแต่ว่าดีกว่าทุกคนในพวกเขาเช่นอย่างนางสาวไทยก็ต้องผิวอย่างคนไทยเรานี่แหละแต่ว่าดีกว่าคนไทยอื่นๆไม่ใช่ว่าจะมีแปลกประหลาดอยู่อย่างเดียวพระอินทร์ก็เหมือนกันตามเรื่องว่าพวกเทวดาบนสวรรค์ด้วยกันก็ไม่ใช่ผิวเขียวคงเขียวอยู่แต่พระอินทร์ผู้เดียวถ้าเช่นนั้นพระอินทร์ก็ต้องเป็นเพียงเทวดาผิวประหลาด ในสวรรค์จะดีกว่าพวกเทวดาอื่นๆไม่ได้แน่และจะว่ามีผิวดีกว่าพวกมนุษย์ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะพวกเราก็ไม่นิยมคนผิวเขียวสุสรตาแปลว่าเสียงดีเสียงที่เราพูดหรือร้องเพลงนับรวมเข้ากับความงามส่วนรูปหรือส่วนร่างกายเหมือนกันเรื่องเสียงดีนี้ก็ไม่พบหลักเกณฑ์แน่นอนว่าเสียงดีคืออย่างไร แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าเสียงน่าฟังซุ่มเสียงกังวานหรือนุ่มนวลไม่แหบแห้งทั้งต้องไม่ผิดเพศด้วยคือผู้หญิงก็ต้องเสียงกลมกล่อมสมเป็นหญิงผู้ชายก็เสียงกังวานห้าวหาญน่ายำเกรงถ้ากลับกันเสียคือหญิงเสียงเหมือนชายหรือชายเสียงเหมือนหญิงเรียกว่าผิดเพศถือว่าไม่งามแต่คนประเภทนี้ข้าพเจ้าเคยเห็นรวยๆหลายคน ในหนังสือสาม ก, ก๊กกล่าวชมพวกขุนศึกตัวสำคัญสาคัญว่าเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าอย่างนี้ก็มีสุดสั้นท่านังแปลว่าทรงดีหมายถึงส่วนทรงของร่างกายเช่นความสูงต่ําล่าสันเป็นต้นเรียกว่าทรงยังไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นกฎเกณฑ์แน่นอนเหมือนกันว่าทรงอย่างไรจึงจะถือว่างามแท้ ทรงของคนความจริงก็ทรงเดียวกันทั้งนั้นสําหรับคนปกติธรรมดาแต่มีกระทัศรัดเหมาะเจาะกว่ากันบ้างตามความนิยมจําได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กๆชาวบ้านพากันนิยมคนเอวบางร่างน้อยทั้งชายทั้งหญิงตอนนั้นลิเกกําลังเฟื่องถึงขนาดคือยุคที่มีคนเอาเปลลูกเข้าไปแขวนในโรงลิเกที่พากันชอบคนเอวบางร่างน้อย ก็เห็นจะเนื่องมาจากชอบตัวพระเอกนางเอกในเรื่องลิเกนั่นเองแต่ครั้นมาเดี๋ยวนี้คนอย่างนั้นไม่มีใครนิยมแล้วหันมานิยมคนล่าสันผู้ชายมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดผู้หญิงมีร่างกายสมบูรณ์ได้ทราบว่าปัจจุบันนี้บางประเทศนิยมผู้หญิงที่อ้วนท้วนยิ่งอ้วนเหมือนตุ่มสามโคกยิ่งถือว่างามแต่เมืองไทยเราดูเหมือนจะยังไม่ถึงอย่างนั้น นักประพันธ์วาดภาพคนทรงงามไว้หลายอย่างเหมือนกันเช่นว่าคิ้วโก่งดังคันธนูหน้าเหมือนพระจันทเพ็นนิ้วมือเรียวเหมือนลำเทียนแขนทั้งสองเหมือนงาช้างนองเหมือนหยกกล้วยและข้อเปรียบอื่นๆอีกมากซึ่งเป็นเพียงการเปรียบเทียบพอให้มองเห็นภาพไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเขินหน้าเหมือนเดือนเพนอย่างว่าจริงๆก็คงดูไม่ได้ ทำนองเดียวกับคนผิวเหมือนทองนั่นแหละจำได้ว่าเคยพบในอัธกถาแต่ก็ยังไม่ได้ค้นดูให้กว้างขวางท่านพูดถึงลักษณะคนทรงงามไว้เข้าทีดีคือว่าแล้วเถียงไม่ขึ้นใจความก็ว่าอวัยวะต่างๆต้องคดในที่ที่ควรคดตรงในที่ควรตรงสั้นที่ควรสั้นยาวที่ควรยาวกลมที่ควรกลมแบนที่ควรแบน ว่าไว้อย่างนี้หมายความว่าถ้าอวัยวะตรงไหนของชาวบ้านเขาคตก็ต้องคตเหมือนเขาของเขาคตของเราตรงใช้ไม่ได้ถ้าเขาตรงก็ต้องตรงเหมือนเขาที่เขาสั้นเราก็ต้องสั้นที่เขายาวเราก็ต้องยาวให้หลักอย่างนี้ง่ายดีเหมือนกันไม่ต้องพูดกันมากความเรื่องของสวดทรงนี้ ส่วนมากเป็นที่รู้กันว่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมอย่างที่ว่ากันว่าบุญทากรรมแต่งเป็นพื้นแม้อวัยวะบางส่วนจะเสียทรงไปถ้าจะถือเป็นข้อตำหนิติเตียนกันก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะรู้รูปร่างของตัวเองได้ต่เมื่อเกิดมาแล้วจึงรู้และก็ต้องทนเอาถ้าต่างคนต่างเลือกได้อย่างใจในบ้านในเมืองคงไม่มีใครขี้เหล่แน่ อย่างคี่เร่เคีเรก็คงขนาดนางสาวไทยทีเดียวข้อที่เราติกันนั้นเกี่ยวกับทรงใหม่เป็นส่วนมากคือทรงที่เราแต่งขึ้นเองเช่นทรงผมถ้าเราตัดทรงที่ไม่สุภาพเป็นแบบข้วบอยสุภาพชนเขาก็ตำหนิหรือไว้เล็บไว้คราวรุ่มร่ามวิจารไปคนเดียวอย่างนี้ไม่พ้นถูกนินทาสุรูปรตา แปลว่ารูปร่างดีดูความจะซ้ำกับสุสัทนท่านางแต่ความหมายคนละอย่างสุสัทนท่านางหมายถึงว่าร่างกายสมบูรณ์คุณภาพใช้ได้เช่นตาไม่บอดหูไม่หนวกมือไม้ปกติส่วนความหมายของสุรูปตามุ่งถึงความสะอาดสะอา้านสวยงามต้องตาต้องใจคนที่ได้พบเห็นที่ยกเอาเรื่องผิวเสียงทรง และรูปขึ้นมาแสดงนี้เป็นการเสนอแนวคิดในเรื่องความงามของคนเฉพาะชั้นที่สองคือร่างกายงามรู้สึกว่าออกจะยืดยาวหน่อยเพราะตั้งใจว่าในการแสดงต่อไปอาจจะไม่ได้วกมาพูดเรื่องนี้อีกจึงว่ากันเสียให้เสร็จไปเลยทีเดียว